มรรคมีองค์8กับขันสามแม่เจ้าขอรับอริยมรรคมีองค์8ดเป็นอย่างไรท่านวิสาค่ะอริยมรรคมีองค์8ดนี้คือ 1. สัมมาทิฏฐิ 2. สัมมาสังกัปปะสสัมมาวาจาสสัมมากรมมนตะ 5. สัมมาอาชีวะ 6. สัมมาวายามะ 7. สัมมาสติ สัมมาสมาธิอเรียมัสมีองค์8เป็นสังคตธรรมหรือเป็นอสังคตะธรรมอรียมัสมีองค์8เป็นสังคตธรรมพระผู้มีพระภาคท ains, รงจัดขันสามประการเข้าในอรียมัสมีองค์8หรือว่าทรงจัดอรียมัสมีองค์8เข้าในขันสามประการพระผู้มีพระภาคไม่ทรงจัดขันสามประการเข้าในอเรียมัสมีองค์8 แต่ทรงจัดอริยมรรคมีองค์เข้าในขัน3ประการคือ 1. สัมมาวาจาสัมมากรรมตะและสัมมาอาชีวะทรงจัดเข้าในสีละขัน 2. สัมมาวายามะสัมมาสติและสัมมาสมาธิทรงจัดเข้าในสมาธิขันสามสัมมาทิฏฐิและสัมมาสังกัปปะ ทรงจัดเข้าในปัญญาขันสมาธิและสังขารแม่เจ้าขอรับทาชนิดใดเป็นสมาธิทาเหล่าใดเป็นนิมิตของสมาธิทาเหล่าใดเป็นเครื่องอุดหนุนสมาธิ การเจริญสมาธิเป็นอย่างไรท่านวิสาขาความที่จิตมีอารมณ์เป็นหนึ่งเป็นสมาธิสติปทานสี่เป็นนิมิตของสมาธิสมมติปทานสี่เป็นเครื่องอุดหนุนสมาธิการเสพการเจริญการทำให้มากซึ่งทาเหล่านั้นนั่นแลเป็นการเจริญสมาธิแม่เจ้าขอรับสังขารมีเท่าไหร่ท่านวิสาขา สังขารมีสามประการคือ 1. กายสังขาร 2. วจีสังขาร 3. จิตตสังขารก็กกายสังขารเป็นอย่างไรวจีสังขารเป็นอย่างไรจิตตสังขารเป็นอย่างไรลมอัา ศ, าศะลมหายใจเข้าและลมปัสสะลมหายใจออกเป็นกายสังขารวิตกและวิจารเป็นวจีสังขาร สัญญาและเวทนาเป็นจิตตสังขารแม่เจ้าขอรับเพราะเหตุไรลมอซาสะและลมปัสสะจึงเป็นกายสังขารวิตกและวิจารณ์จึงเป็นวจีสังขารสัญญาและเวทนาจึงเป็นจิตตสังขารท่านวิสาขะลมอซาสะและลมปัสสะเหล่านี้เป็นธรรมที่มีอยู่คู่กายเนื่องกับกายฉะนั้น ลมอาสาสะและลมปัสสาสะจึงเป็นกายสังขารบุคคลตรึกและตรองก่อนแล้วจึงเปล่งวาจาฉะนั้นวิตกและวิจารจึงเป็นวจีสังขารสัญญาและเวทนาเป็นธรรมที่มีอยู่คู่จิตเนื่องกับจิตฉะนั้นสัญญาและเวทนาจึงเป็นจิตตสังขาร สัญญาวเวทยียตนิโรธแม่เจ้าขอรับการเข้าสัญญาวเวทยียตนิโรธเป็นอย่างไรท่านวิาสาขะภิกษุผู้เข้าสัญญาวเวทยียตนิโรธมิได้มีความคิดอย่างนี้ว่าเราจะเข้าสัญญาวเวทยียตนิโรธเรากำลังเข้าสัญญาวเวทยียตนิโรธหรือเราเข้าสัญญาวเวทยียตนิโรธแล้วที่แท้จิตที่ท่านอบรมไว้ในเบื้องต้นอย่างนั้น ย่อมนำเข้าไปในภาวะนั้นได้เองเมื่อพิกษุเข้าสัญญาวเวทียิตนิโรธทำเหล่าไหนที่ดับไปก่อนกายสังขารวจีสังขารหรือจิตตสังขารเมื่อพิกษุเข้าสัญญาวเวทียิตนิโรธวจีสังขารดับไปก่อนจากนั้นกายสังขารจึงดับส่วนจิตตสังขารดับทีหลังการออกจากสัญญาวเวทียิตนิโรธสมาบัตเป็นอย่างไร ภิกษุผู้ออกจากสัญญาเวทียิตนิโรสมาบัติมิได้มีความคิดอย่างนี้ว่าเราจะออกจากสัญญาเวทียิตนิโรสมาบัติเรากำลังออกจากสัญญาเวทีย hmm ิตนิโรสมาบัติหรือเราออกจากสัญญาเวทียิตนิโรสมาบัติแล้วที่แท้จิตที่ท่านอบรมไว้ในเบื้องต้นอย่างนั้นย่อมนำเข้าไปในภาวะนั้นได้เองเมื่อภิกษุออกจากสัญญาเวทียินิโรสมาบัติ ทำเหล่าไหนเกิดขึ้นก่อนกายสังขารวจีสังขารหรือจิตสังขารเมื่อภิกษุออกจากสัญญาเวทียินิโรสมาบัติจิตสังขารเกิดขึ้นก่อนจากนั้นกายสังขารก็เกิดขึ้นส่วนวจีสังขารเกิดขึ้นทีหลังภัรษะเท่าไหร่ย่อมถูกต้องภิกษุผู้ออกจากสัญญาเวทียินิโรสมาบัติภัษสามอย่างคือ 1. นัสสภาษชื่อสุญตะว่าง 2. องัภาษชื่ออนิมิตะไม่มีนิมิต 3. าัภาษชื่ออปนิหิตะไม่มีที่ตั้งย่อมถูกต้องพิกษุผู้ออกจากสัญญาวเวทียินิโรสมาบัติแม่เจ้าขอรับพิกษุผู้ออกแล้วจากสัญญาวเวทียินิโรสมาบัติมีจิตโนมไปในทำอะไรโนมไปในทำอะไร และโอนไปในทำอะไรท่านวิสาขะภิกษุผู้ออกแล้วจากสัญญาวเวทียิตนิโรสมาบัตมีจิตน้อมไปในวิเวกโน้มไปในวิเวกโอนไปในวิเวกเวทนา แม่เจ้าขอรับเวทนามีเท่าไรท่านวิสาขะเวทนามีสามประการคือหนึ่งสุขเวทนาสองทุกขเวทนาสอทุกขมสุขเวทนาสุขเวทนาเป็นอย่างไรทุกขเวทนาเป็นอย่างไรอทุกขมสุขเวทนาเป็นอย่างไรการสวยอารมณ์ที่เป็นสุขสำราญทางกายหรือทางใจนี้เป็นสุขเวทนา การสวยอารมณ์ที่เป็นทุกข์ไม่สําราญทางกายหรือทางใจนี้เป็นทุกขเวทนาการสวยอารมณ์ที่ไม่ใช่ความสําราญและที่ไม่ใช่ความไม่สําราญทางกายหรือทางใจนี้เป็นอท um ุกขคมสุขเวทนาสุขเวทนาเป็นสุขเพราะอะไรเป็นทุกข์เพราะอะไรทุกขเวทนาเป็นสุขเพราะอะไรเป็นทุกข์เพราะอะไร อาทุกขมสุขเวทนาเป็นสุขเพราะอะไรเป็นทุกข์เพราะอะไรสุขเวทนาเป็นสุขเพราะตั้งอยู่เป็นทุกข์เพราะแปรไปทุกขเวทนาเป็นทุกข์เพราะตั้งอยู่เป็นสุขเพราะแปรไปอาทุกขมสุขเวทนาเป็นสุขเพราะรู้เป็นทุกข์เพราะไม่รู้อนุสัยชนิดไหนนอนเนื่องอยู่ในสุขเวทนาอนุสัยชนิดไหนนอนเนื่องอยู่ในทุกขเวทนา อนุสัยชนิดไหนนอนเนื่องอยู่ในอทุคมสุขเวทนาราคานุสัยกิเลสที่นอนเนื่องคือความกำหนัดนอนเนื่องอยู่ในสุขเวทนาปฏิคานุสัยกิเลสที่นอนเนื่องคือความขัดเคืองนอนเนื่องอยู่ในทุขเวทนาอวิชานุสัยกิเลสที่นอนเนื่องคือความไม่รู้จริงนอนเนื่องอยู่ในอทุคมสุขเวทนา ราคานุใสนอนเนื่องอยู่ในสุขเวทนาทั้งหมดหรือปฏิคานุใสนอนเนื่องอยู่ในทุกเวทนาทั้งหมดหรืออวิชานุใสนอนเนื่องอยู่ในอทุกขมสุขเวทนาทั้งหมดหรือราคานุใยนอนเนื่องอยู่ในสุขเวทนาทั้งหมดหามิได้ปฏิคานุใสนอนเนื่องอยู่ในทุกเวทนาทั้งหมดหามิได้ อาวิชานุใสนอนเนื่องอยู่ในอทุกขมสุขเวทนาทั้งหมดหามิได้ทำอะไรจะพึงละได้ในสุขเวทนาทำอะไรจะพึงละได้ในทุกขเวทนาทำอะไรจะพึงละได้ในอทุกขมสุขเวทนาราคานุใสจะพึงละได้ในสุขเวทนาปฏิคานุใสจะพึงละได้ในทุกขเวทนา เอาวิชานุัสจะพึงละได้ในอทุคมสุขเวทนาแม่เจ้าขอรับราคานุัสจะพึงละได้ในสุขเวทนาทั้งหมดหรือปฏิคานุัสจะพึงละได้ในทุกขเวทนาทั้งหมดหรือเอาวิชานุัสจะพึงละได้ในอทุคมสุขเวทนาทั้งหมดหรือท่านวิสาขะราคานุัสจะพึงละได้ในสุขเวทนาทั้งหมดหามิได้ ปฏิคานุสัยจะพึงละได้ในทุกเวทนาทั้งหมดหามิได้อวิชานุสัยจะพึงละได้ในอทุกขมสุขเวทนาทั้งหมดหามิได้ภิกษุในพระธรรมวิัยนี้สงัดจากกามและอกุศลธรรมทั้งหลายแล้วบรรลุปฐมฌานที่มีวิตกวิจารปีติและสุขอันเกิดจากวิเวกอยู่ย่อมละราคะได้ด้วยปฐมฌานนั้น ราคานุสัยมิได้นอนเนื่องอยู่ในปฐมฌานนั้นอนหนึ่งภิกษุในพระธรรมวิเนยนี้พิจารณาเห็นอยู่ว่าเมื่อไรเราจะได้บรรลุอายตนะที่พระอริยทั้งหลายบรรลุแล้วดำรงอยู่ในบัดนี้เมื่อภิกษุนั้นตั้งความปรารถนาในวิโมกข์ทั้งหลายอันเป็นอนุตรธรรมอย่างนี้โทมานตย่อมเกิดขึ้นเพราะความปรารถนาเป็นปัจจัย ท่านละปฏิฆะได้ด้วยโทมนัตนั้นปฏิฆานุใสไม่ได้นอนเนื่องอยู่ในโทมนัตนั้นอันหนึ่งเพราะละสุขและทุกข์ได้พระโสมนัตและโทมนัตดับไปก่อนแล้วภิสุในพระธรรมวินัยนี้บรรลุจตุทัทชฌานที่ไม่มีทุกข์ไม่มีสุขมีสติบริสุทธิ์พระอุเบขาอยู่ย่อมละอวิชชาได้ด้วยจตุทัทชฌานนั้น อวิชานุใสยไม่ได้นอนเนื่องอยู่ในจตุทชานนั้นแม่เจ้าขอรับอะไรเป็นคู่เปรียบแห่งสุขเวทนาท่านวิสาขะทุกเวทนาเป็นคู่เปรียบแห่งสุขเวทนาอะไรเป็นคู่เปรียบแห่งทุกเวทนาสุขเวทนาเป็นคู่เปรียบแห่งทุกเวทนาอะไรเป็นคู่เปรียบแห่งอทุกขมสุขเวทนา อวิชาเป็นคู่เปรียบแข่งอทุคมสุขเวทนาอะไรเป็นคู่เปรียบแข่งอวิชาวิชาเป็นคู่เปรียบแข่งอวิชาอะไรเป็นคู่เปรียบแข่งวิชาวิมุติเป็นคู่เปรียบแข่งวิชาอะไรเป็นคู่เปรียบแข่งวิมุตินิพพานเป็นคู่เปรียบแข่งวิมุตแม่เจ้าขอรับอะไรเป็นคู่เปรียบแข่งนิพพานท่านวิสาขะ ท่านก้าวเลยปัญหาไปเสียแล้วไม่อาจกําหนดที่สุดแห่งปัญหาได้เพราะพระมรมจันทร์มีนิพพานเป็นที่อย่างลงมีนิพพานเป็นจุดหมายมีนิพพานเป็นที่สุดถ้าท่านยังหวังอยู่ก็ควรเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคทูลถามเนื้อความนี้เถิดพระผู้มีพระภาคทรงตอบแก่ท่านอย่างไรท่านควรทรงจําคําตอบไว้อย่างนั้นเถิด ทรงสรรเสริญธรรมทินนาภิสุณีลำดับนั้นวิสาขาอุบาสกชื่นชมอนุโมทนาภาสิต์ของธรรมทินนาภิสุณีแล้วลุกจากอาสนะน้อมไหว้ธรรมทินนาภิสุณีกระทำประทักษิณแล้วเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับถวายอภิวาทแล้วนั่งณที่สมควรเรียกราบทูลเรื่องที่ตนสนทนาธรรมมีคถา กับธรรมทินนาภิษุณีให้ทรงทราบทุกประการเมื่อวิสาขาอุบาศกกราบทูลอย่างนี้แล้วพระผู้มีพระภาคจึงได้ตรัสว่าวิสาขาธรรมทินนาภิสุณีเป็นบัณฑิตมีปัญญามากหากเธอจะพึงสอบถามเนื้อความนั้นกับเราแม้เราก็จะพึงตอบเนื้อความนั้นเหมือนอย่างที่ธรรมทินนาภิษุณีตอบแล้วเนื้อความแห่งคาตอบนั้นเป็นดังนั้นนั่นแล ท่านควรทรงจำไว้อย่างนั้นเถิดพระผู้มีพระภาคได้ตรพัพยสิทธินี้แล้ววิสาขาอุบาสกมีใจยินดีชื่นชมพระภาสิทธิของพระผู้มีพระภาคดังนี้แลจูละเวทละสูตรที่สจบ จูละธรรมะสมาทานสูตรว่าด้วยการสมาทานธรรมสูตรเล็กข้าพเจ้าได้สดับมาอย่างนี้สมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ณพระเจตวันอารามของอนาถบินิกาเศรษฐีเขกรุงสาวัตถีณนะที่นั้นแหลพระผู้มีพระภาคได้รับสั่งเรื่องภิกษุทั้งหลายมาตรัสว่าภิกษุทั้งหลาย ภิกษุเหล่านั้นทูลรับสนองพระตํารัสแล้วพระผู้มีพระภาคจึงเรียกรัสเรื่องนี้ว่าภิกษุทั้งหลายการสมาทานธรรมสี่ประการนี้การสมาทานธรรม4ี่ประการอะไรบ้างคือ 1. การสมาทานธรรมที่มีสุขในปัจจุบันแต่มีทุกข์เป็นวิบากในอนาคต 2. การสมาทานธรรมที่มีทุกข์ในปัจจุบันและมีทุกข์เป็นวิบากในอนาคต 3. การสมาทานที่มีทุกในปัจจุบันแต่มีสุขเป็นวิบากในอนาคต 4. การสมาทานธรรมที่มีสุขในปัจจุบันและมีสุขเป็นวิบากในอนาคต การสมาทานธรรมที่มีสุขแต่มีทุกข์เป็นวิบากการสมาทานธรรมที่มีสุขในปัจจุบันแต่มีทุกข์เป็นวิบากในอนาคตเป็นอย่างไรคือมีสมณะพราหม์พวกหนึ่งผู้มีวาทะอย่างนี้มีทิฏฐิอย่างนี้ว่าโทษในกลามทั้งหลายไม่มีสมณะพราหม์พวกนั้นย่อมถึงความเป็นผู้ดื่มดำในกลามทั้งหลายบําเรอกับพวกนางปริพาชิกาที่กล้าวมวยผม และกล่าวอย่างนี้ว่าทำไมท่านสมณพราหม์พวกนั้นเมื่อเห็นอนาคตภัยในกรามทั้งหลายจึงกล่าวถึงการละกรามทั้งหลายบัญญัติการกำหนดรู้กรามทั้งหลายอันที่จริงการได้สัมผัสแขนอันมีขนอ่อนนุ่มของนางปริภาชิกานี้เป็นความสุขแล้วก็ถึงความเป็นผู้ดื่มดำในกรามทั้งหลายครั้นถึงความเป็นผู้ดื่มดำในกรามทั้งหลายหลังจากตายแล้ว ไปเกิดในอบายทุกติวินิบาตนรกเสวยทุกขเวทนาอันแรงกล้าเผ็ดร้อนในที่ที่ตนเกิดนั้นและกล่าวอย่างนี้ว่าท่านสมณพราหม์พวกนั้นเมื่อเห็นอนาคกตไพในกรมทั้งหลายนี่แลจึงกล่าวถึงการละกรรมทั้งหลายบัญญัติการกําหนดรู้กรรมทั้งหลายอันที่จริงพวกเรานี้ย่อมเสวยทุกเวทนาอันแรงกล้าเผ็ดร้อนเพราะการมเป็นเหตุ เพราะการเป็นต้นเหตุเปรียบเหมือนผลสุก ข, ของเถาย่านสายจะพึงแตกในเดือนท้ายแห่งฤดูร้อนพืชแห่งเถาย่านสายนั้นจะพึงตกลงที่โคนต้นสาละต้นใดต้นหนึ่งเทวดาที่สิงอยู่ที่ต้นสาละนั้นกลัวหวาเสียวและถึงความสะดุง้งพวกอารามเทวดาวนาเทวดารุกขเทวดาและพวกเทวดาที่สิงอยู่ที่ต้นไม้ อันเป็นโอสถหญ้าและต้นไม้เจ้าป่าผู้เป็นมิตรอมาตญ้าสาโลหิตของเทวดาที่สิงอยู่ที่ต้นสาละนั้นต่างก็พากันมาปลอบโยนอย่างนี้ว่าท่านผู้เจริญอย่ากลัวเลยท่านผู้เจริญอย่ากลัวเลยเมล็ดพืชแห่งแถวย่านทรายนั้นบางทีนกยุงอาจกลืนกินบ้างเนื้ออาจเคี้ยวกินบ้างไฟป่าอาจไหม้บ้างพวกคนทํางานในป่าอาจถอนบ้าง ปลวกอาจกัดกินบ้างหรือไม่งอกขึ้นแต่มเมล็ดพืชแหงทถวย่านทรายนั้นนกยูงก็ไม่กลืนกินเนื้อก็ไม่เคี้ยวกินไฟป่าก็ไม่ไหม้ผู้คนทำงานในป่าก็ไม่ถอนปลวกก็ไม่กัดกินยังคงเป็นพืชต่อไปถูกเมฆฝนตกรดแล้วก็งอกขึ้นด้วยดีเป็นเถวย่านทรายเล็กและอ่อนมีย่านห้อยย้อยเข้าไปอาศัยต้นสาละ เทวดาที่สิงอยู่ที่ต้นสาละนั้นจึงกล่าวว่าทำไมพวกท่านอารามเทวดาวณเทวดารุกเทวดาและเทวดาที่สิงอยู่ที่ต้นไม้อันเป็นโอสถหญ้าและต้นไม้เจ้าป่าผู้เป็นมิตรอมาตหญ้าสาโลหิตเมื่อเห็นอนาคตภัยในเมล็ดพืชแห่งเถ า, าย่านทรายจึงพากันมาปลอบโยนอย่างนี้ว่าท่านผู้เจริญอย่ากลัวเลยท่านผู้เจริญอย่ากลัวเลย มเม็ดพืชแห่งเทาย่านทรายนั้นบางทีนกยูงอาจกลืนกินบ้างเนื้ออาจเคี้ยวกินบ้างไฟป่าอาจไหม้บ้างพวกคนทำงานในป่าอาจถอนบ้างเปลวกอาจกัดกินบ้างหรือไม่งอกขึ้นเทาย่านทรายนี้เล็กและอ่อนมีย่านห้อยย้อยอยู่มีสัมผัสอันาความสุขมาให้เทาย่านทรายนั้นเลื้พันต้นสาละนั้น ครั้นเลื้อยผ่านแล้วตั้งอยู่ข้างบนเหมือนร่มแตกเถาอยู่ข้างล่างทําลายลําต้นใหญ่ๆของต้นสาละนั้นเสียเทวดาที่สิงอยู่ที่ต้นสาละนั้นกล่าวอย่างนี้ว่าพวกท่านอารามเทวดาวณเทวดาโรขเทวดาและพวกเทวดาที่สิงอยู่ที่ต้นไม้อันเป็นโอสถหญ้าและต้นไม้เจ้าป่าผู้เป็นมิตรอมาตญ้าสาโลหิต เมื่อเห็นอนาคตภัยในมเมล็ดพืชแห่งแถวย่านทรายนี้จึงพากันมาปลอบโยนอย่างนี้ว่าท่านผู้เจริญอย่า ก, กลัวเลยท่านผู้เจริญอย่า ก, กลัวเลยพืชแห่งแถวย่านทรายนั้นบางทีนกยุงอาจกลืนกินบ้างเนื้ออาจเคี้ยวกินบ้างไฟป่าอาจไหม้บ้างพวกคนทํางานในป่าอาจถอนบ้างปลวกอาจกัดกินบ้างหรือไม่งอกขึ้น เรานั้นเสวยทุกขเวทนาอันแรงกล้าเผ็ดร้อนเพราะเพืชแห่งเทาย่านซรายเป็นเหตุแม้ฉันใดมีสมณพราม์พวกหนึ่งมีวาทะอย่างนี้มีทิฏฐิอย่างนี้ว่าโทษในกามทั้งหลายไม่มีก็ฉันนั้นเหมือนกันสมณพราหมณ์เหล่านั้นย่อมถึงความเป็นผู้ดื่มดำในกามทั้งหลายบ่มเรอกับพวกนางปริภาชิกาที่กล่าวมวยผมและกล่าวอย่างนี้ว่า ทำไมท่านสมณพราหมณ์พวกนั้นเมื่อเห็นอนาคตภัยในการมทั้งหลายจึงกล่าวถึงการละการมทั้งหลายบัญญัติการกำหนดรู้ในการมทั้งหลายอันที่จริงการสัมผัสแขนอันมีขนอ่อนนุ่มของนางปริภาชิกานี้เป็นความสุขย่อมถึงความเป็นผู้ดื่มดำในการมทั้งหลายครั้นถึงความเป็นผู้ดื่มดำในการมทั้งหลายหลังจากตายแล้วจะไปเกิดในอบายทุกติวินิบาดนรก สวยทุกขเวทนาอันแรงกล้าเผ็ดร้อนในที่ที่ตนเกิดนั้นและกล่าวอย่างนี้ว่าท่านสมณะพราหม์พวกนั้นเมื่อเห็นอนาคตภัยในการมทั้งหลายนี้แลจึงกล่าวถึงการละกรมทั้งหลายบัญญัติความกำหนดรู้กรามทั้งหลายอันที่จริงพวกเรานี้ย่อมสวยทุกขเวทนาอันแรงกล้าเผ็ดร้อนเพราะกรรมเป็นเหตุเพราะการม เ, เ, เ, เป็นต้นเหตุภิกษุทั้งหลาย การสมาทานธรรมนี้เรากล่าวว่ามีสุขในปัจจุบันแต่มีทุก์เป็นวิบากในอนาคตคการสมาทานธรรมที่มีทุก์และมีทุก์เป็นวิบากการสมาทานธรรมที่มีทุก์ในปัจจุบัน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 ไม่รับอาหารจากปากภาชนะไม่รับอาหารครอมธรณีประตูไม่รับอาหารครอมท่อนไม้ไม่รับอาหารครอมสากไม่รับอาหารของคนสองคนที่กำลังบริโภคไม่รับอาหารของหญิงมีคันไม่รับอาหารของหญิงที่กำลังให้บุตรดื่มนมไม่รับอาหารของหญิงที่คลอเคลียชายไม่รับอาหารที่นัดแนะกันทำไว้ไม่รับอาหารในที่เลี้ยงสุนัข ไม่รับอาหารในที่มีแมลงวันไต่ตอมเป็นกลุ่มๆไม่กินปลาไม่กินเนื้อไม่ดื่มสุราไม่ดื่มเมลัยไม่ดื่มยาดองเขารับอาหารในเรือนหลังเดียวยังชีพด้วยข้าวคำเดียวรับอาหารในเรือนสองหลังยังชีพด้วยข้าวสองคำและถึงรับอาหารในเรือนเจ็ดหลังยังชีพด้วยข้าวเจ็ดคำยังชีพด้วยอาหารในถาดน้อยหนึ่งใบ ยังชีบด้วยอาหารในถาดน้อยสองใบและถึงยังชีบด้วยอาหารในถาดน้อยเจ็ดใบกินอาหารที่เก็บไว้ข้างคืนหนึ่งวันกินอาหารที่เก็บไว้ข้างคืนสองวันและถึงกินอาหารที่เก็บไว้ข้างคืน7วันถือการบริโภคอาหารตามวาระ15วันต่อมื้อเช่นนี้อยู่ด้วยประการอย่างนี้ปริภาชกนั้นเป็นผู้กินผักดองเป็นอาหารกินข้าวฟ่างเป็นอาหาร กินลูกเดยเป็นอาหารกินกะข้าวเป็นอาหารกินสาหร่ายเป็นอาหารกินรำเป็นอาหารกินข้าวตังเป็นอาหารกินกำยานเป็นอาหารกินหญ้าเป็นอาหารกินมูลโคเป็นอาหารกินเงาและผลไม้ป่าเป็นอาหารบริโภคผลไม้หล่นอย่างชีพอยู่ปริภาชกนั้นนุ่งห่มผ้าป่านนุ่งห่มผ้าแกมกันนุ่งห่มผ้าหอ่อศพ นุ่งห่มผ้าบางสุกุลนุ่งห่มผ้าเปลือกไม้นุ่งห่มหนังเสือนุ่งห่มหนังเสือมีเล็บนุ่งห่มผ้าคากรองนุ่งห่มผ้าเปลือกไม้กรองนุ่งห่มผ้าผลไม้กรองนุ่งห่มผ้ากาพลผมมนุษย์นุ่งห่มผ้ากําพลขนสัตว์นุ่งห่มผ้าขนปีกนกเขาเป็นผู้ถอนผมและหนวดคือถือการถอนผมและหนวด ยืนอย่างเดียวไม่ยอมนั่งเดินกระย่งคือถือการเดินกระย่งถือการนอนบนน้ำคือนอนบนที่นอนที่ทำด้วยน้ำถือการลงอาบน้ำวันละสามครั้งถือการย่างและการอบกายหลายรูปแบบเช่นนี้อยู่ด้วยประการอย่างนี้หลังจากตายแล้วย่อมไปเกิดในอบายทุกติวินิบาตนรกภิกษุทั้งหลายการสมาทานธรรมนี้เรากล่าวว่า มีทุกในปัจจุบันและมีทุกเป็นวิบากในอนาคตการสมาทานธรรมที่มีทุกแต่มีสุขเป็นวิบากการสมาทานธรรมที่มีทุกในปัจจุบันแต่มีสุขเป็นวิบากในอนาคตเป็นอย่างไร คือบุคคลบางคนในโลกนี้เป็นผู้มีราคะกล้าโดยปกติเสวยทุกโทมนัสอันเกิดจากราคะหนึ่งเนืองเป็นผู้มีโทสะกล้าโดยปกติเสวยทุกโทมนัสอันเกิดจากโทสะหนึ่งเนืองเป็นผู้มีโมหะกล้าโดยปกติเสวยทุกโทมนัสอันเกิดจากโมหะหนึ่งเนืองบุคคลนั้นมีทุกบ้างมีโทมนัสบ้างเป็นผู้มีหน้านองด้วยน้ำตาร้องไห้อยู่ ประพฤชโพรหมจรรย์บริสุทธิ์บริบูรณ์หลังจากตายแล้วเขาพิเกิดในสุคติโลกสวรรค์ภิษุทั้งหลายการสมาทานธรรมนี้เรากล่าวว่ามีทุกในปัจจุบันแต่มีสุขเป็นวิบากในอนาคต